ในมัด ก, กรครับพวกเราอดทนมากนะอยู่กันมาจนถึงตอนนี้สมัยหลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ที่ก็ต้องทนนะพ่ออยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์อยู่ภาคเหนือภาคอีสานอะไรอย่างี้แต่ยังสบายหัวรุ่น อาจารย์ของอาจารย์รุ่นนนท์ท่านเดินสแสวงหาครูบาอาจารย์กันของหลวงพ่ออย่างแค่นั่งรถไปหาก็บางที่ก็ต้องเดินเดินกันครึ่งค่อนวัดเข้าไปอยู่ที่ลึกๆรถไปไม่ถึงที่สิ่งที่อยากได้อยากได้วิธีปฏิบัติธรรม ถ้าพวกเราอดทนสักนิดหนึ่งนะพยายามฟังสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อทำได้แต่สมาธิทำแต่สมถะเดินปัญญาไม่เป็นเราไม่รู้ว่าจะพัฒนาจิตใจต่อไปได้ยังไง เ น, นเด็กกรุงเทพห่างครูบาอาจารย์ก็พยายามอ่านพระไตรปิฎกอ่านอารราัรถกถาอ่านธรรมะเยอะแยะเลยอ่านแล้วก็พบว่ามีคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัต้งมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนมนก็คล้ายๆพวกเรามีปัญหาเหมือนกัน อย่างเราพยายามไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้หลักมันไม่ได้แก่นไม่ได้หัวใจของการปฏิบัติมันก็รูปลูปคลำคลำไปหาทางพัฒนาเนี่ยยากที่สุดจนหลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอเราดูจิตตัวเองได้แล้วเนี้ยมันเหมือนเราได้กุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกในใจของเรา เากุศลอกุศลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่เท่านั้นเองนี่พวกเรามัวให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นให้ความสำคัญอย่างนักปฏิบัติเราก็ให้ความสำคัญกับรูปแบบต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้อไอ้นั่นมันยังเป็นผิวผิวเป็นเปลือกเปลือกของการปฏิบัติถ้าไม่ได้จิตคือไม่ได้แก่นของการปฏิบัติ งั้นก่อนจะถึงขั้นการเจริญปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะมีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสามบทเรียนบทเรียนที่หนึ่งชื่ออาทิศีลสิกขาเรียนว่าทํำยังไงจะเกิดศีลบทเรียนที่สองนะชื่ออาทิจิตตสิกขาเรียนจิตตัวเองสิ่งที่ได้มาคือสมาธิที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาที่จิตนี้ให้ได้ก่อนเป็นอาทิจิตสิกขาเ่อเราเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วเนี่ยมันถึงบทเรียนที่สามคืออาทิตปัญญาสิกขาเรียนให้เกิดปัญญาคือเรียนให้จิตเนี่ยมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเข้าใจถูกอะไรเข้าใจถูกในความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ย ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีถ้าเมื่อไหร่ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมซึ่งเกิดจากเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเข้าใจตรงนี้นะภูมิจิตภูมิธรรมเราอยู่ในระดับพระโสดาบันมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นนะจิงจะเข้าอัปปนาสมาธิมันเข้าของมันเอง แล้วมันก็ไปล้างกิเลสอยู่ในฌานนะเราก็ต้องมาเดินปัญญาต่อไปอีกจนวันหนึ่งเราเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายร่างกายนี้คือทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอเราเห็นความจริงของร่างกายเนะี่ยจิตจะหมดความยึดถือนในกายมันเป็นภูมิธรรมในระดับกลางนะระดับพระอนาคามี ก็การปฏิบัติในขั้นแตกหักนะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะมันลงมาที่จิตสุดท้ายแล้วการปฏิบัติมันลงมาที่จิตจิตที่พวกเราจะต้องพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าจิตผู้รูนะ้ถ้าพูดแบบอภิธรรมก็คือมหากุศ ล, ลจิตญาณสัมพยุทธนะ์อาสังขาริกังเกิดอัตโนมัตนะิไม่ใช่เจตนาให้เกิดพเรา มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยนะเราก็ภาวนาตั้งแต่ต้นมาจนถึงจุดสุดท้ายของการปฏิบัติสติปัญญาแก่กล้าเต็มที่นะมันจะย้อนเข้ามาเห็นความจริงของตัวจิตผู้รู้ของเรายังไม่ค่อยมีนะจิตผู้รู้เรามีแต่จิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจนจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะต้องพัฒนาขึ้นมา เดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายวิธีพัฒนาให้วันนี้ให้ภาพกว้างๆก่อนนะแล้พรุ่งนี้เราจะมาลงมือเรียนจริงๆว่าเราจะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ได้ยังไงพอมีจิตเป็นผู้รู้แล้วนะขั้นแรกก็เอาจิตไปเรียนรู้รูปนามกายใจจนเห็นความจริงเบื้องต้นว่ามันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเอาจิตมาเรียนรู้กายรู้ใจต่อไป จนถึงปัญญาขั้นกลางเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายมันคือตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตก็หมดความยึดถือในกายนะอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีและขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จนกระทั้งเห็นว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือหัวหน้าโจรนะเห็นไหมเราต้องอาศัยตัวจิตผู้รู้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ให้ได้ พอปล่อยตัวจิตผู้รู้นะหลวงปู่ดุลท่านเคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัติเนี่ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าเรายังยึดตัวจิตอยู่ยังไม่ถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีขั้นมีตอนไปนะขั้นแรกตั้งใจรักษาศีลเอาไว้ถัดจากนั้นก็มาฝึกจิตฝึกใจ ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมเนื้ลืมตัวนะแล้วก็มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจแต่รู้ด้วยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องนะั้นมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอบางคนตั้งแล้วแข็งทื่อๆอยู่นะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเวลาส่งกันบ้านพวกเราจะได้ยินนะ ปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติก็คือจิตมันไม่ถูกจิตมันยังไม่ถูกมันยังไม่เข้าทางสายกลางไม่ตึงไปก็หย่อนไปมันทําให้เราภาวนาไม่สําเร็จสักทีนะเหมือนเมื่อก่อนหลวงพ่อก็มันไม่ได้หลักนะก็พยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมเข้าสมาธินะบางทีโลกธาตุดับไปเลยนะเหลือแต่จิตดวงเดียวก็ไปไหนไม่ได้บางทีดูร่างกายร่างกายระเบิดเลยนะ มันก็ยังไปไหนไม่ได้เพราะมันไม่ได้จิตเจอหลวงพูดูลนะถึงได้หลักได้จิตคือได้ทำนะไม่ได้จิตก็คือไม่ได้ทำทมไมจะต้องมีจิตก่อนเพราะเป็นบทเรียนที่สองนะศีลสิกขาจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตตนเองได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมัน่นแล้วจิตเป็นกลางเราใช้จิตที่ตั้งมัน่นได้เป็นกลางนี่แหละ ไประรึกรู้มีสติไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแม้หลวงพ่อสรุปหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานเหลืออยู่ในประโยคเดียวเท่านั้นเองให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพรุ่งนี้เราจะเรียนวิธีทําให้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อเช้าหลวงพ่อสอน เอาแบบง่ายหน่อยให้พวกเราคอยวัดใจตัวเองไปเรียนรู้จิตใจตัวเองไปนะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลก็รู้เราต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบัติว่าเราจะทำความเปลี่ยนชอบมีเป้าหมายที่ถูกต้อ ง, องการปฏิบัติคือลดละกิเลสแล้วเจริญกุศลวิธีจะลดละกิเลสแล้วเจริญกุศลได้ก็ฝึกเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจแต่มันยังขาด สิ่งสําคัญเงื่อนไขสําคัญอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธินะเราจะต้องเรียนกันอย่างจริงจังในองค์มรรคมรรรมีองค์แปดในส่วนของการเจริญปฏิบัติภาวนาทางจิตนะมีสามตัวสัมมาวายามะมีความเพียรชอบตัวนี้เป็นตัวชี้เป้าเลยให้เรามุ่งไปว่าเราจะปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลนะถ้าพลาดจากจุดเนี้ยเรียกว่าเราหลงทิศทางละ เราจะยิงธนูนะก็ต้องยิงให้ตรงเป้าถ้าเราไม่รู้เป้าเราก็ยิงผิดทิศ ผ, ผิดทางมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะเป้าหมายของเราก็คือต้องลดละกิเลสต้องเจริญกุศลนี่คือตัวสัมมาวายามะนะเครื่องมือที่จะทำให้เราลดละกิเลสได้ตัวที่หนึ่งคือสัมมาสติหัดเจริญสติปัฏฐานไปมีสมติรู้กายมีสมติรู้ใจไปนะ แล้วตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเรียนนะคือสัมมาสมาธนะิทำไมเอาสัมมาสติมาก่อนนะเพราะถ้ามีสติถูกต้องสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยง่ายอาริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะมีแปดตัวแปดข้อนะมันเรียงเป็นลำดับมาอย่างงดงามเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นที่ถูกต้องก็คือเรียนอย่างที่พวกเราเรียนอย่างนี้ฟังหลวงพ่อนะอย่างนี้เรียกว่าเรียนปริยัตคือเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้แล้วรู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้ลงที่ตัวทุกขนะ์ตัวทุกข์ก็คือรูปธปรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ย ตัวสมาทิฏฐิในเบื้องต้นสมาทิฏฐิในภาคปริยัตเนี่ยจะสอนเราให้เรารู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันก็คือสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุดูนี้คือเป็นสมาทิฏฐิในภาคปริยัติคือเรียนด้วยการฟังครูบาอาจารย์ด้วยการอ่านตำรับตำราพอเรามีความเห็นถูกแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเราคิด ให้คอยระวังความคิดตัวเองคิดก็ต้องคิดให้ถูกคิดให้ถูกเรียกสัมมาสังกปปะสัมมาสังกัปะคือการคิดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของราคะโทสะโมหะถ้าเราคิดโดยตกเป็นเหยื่อของราคะเราก็จะเกิดกา ม, มาวิตกถ้าเราคิดโดยเป็นเหยื่อของโทสะเราจะมีพยาบาทวิตกถ้าเราคิดไปด้วยอานาจของโมหะเราจะมีวิหิงสาวิตกเป น, นเบียดเบียน อย่างน้อยก็เบียดเบีย น, นตัวเองไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเมื่อมีความเห็นถูกการคิดให้ถูกก็จะไม่ใช่เรื่องยากคือมีสมาทิฐิในเบื้องต้นการที่จะมีสัมมาสังกปะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เราจะคอยระวังความคิดของตัวเองไม่คิดตามอำนาจของกิเลสเมื่อเราไม่คิดตามอำนาจของกิเลสเนี่ยสัมมาวาจาก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาเองนะ เพราะเรามีมิจฉาวาจาพูดจาไม่ดีพูดโกหกส่อสเสียดพูดเพ้อเจ้อนะพูดคําหยาบอะไรพวกนี้เพราะกิเลสมันครอบงาจิตเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการคิดถูกแล้วเนี่ยคําพูดของเราก็ถูกนะคิดถูกคําพูดก็ถูกการกระทําของเราก็จะถูกสัมมาคัมมันตะก็จะเกิดขึ้นถ้าเราคิดถูกทําถูกพูดถูกแล้วเนี่ย การเลี้ยงชีวิตของเราจะไม่ชอบชนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองสัมมาอาชีวะก็จะเกิดขึ้นนี่เราจะดํารงชีวิตยอย่างปกติสุขมีสัมมาอาชีวะอย่างถ้าเป็นพระนะสัมมาอาชีวะของพระก็คือการบินทบาทหากินด้วยการบินทบาทไม่ได้ไปทำไร่ทํานาอย่างพวกเราเป็นทราวัตญาติโยมทำมาหากินไปก็นะ อ, อาชีพที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย นี่พอเรามีอาชีพที่ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีเป้าหมายนะเราก็จะรู้เป้าหมายในชีวิตเราว่าเราจะต้องมุม่งพลดละกิเลสมุ่งเจริญกุศลนะมีสัมมาชีวะเป็นฐานไว้แล้วเนี่ยสัมมาวายามะมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะพอเรามีสัมมาวายามะเรารู้ว่าเราจะต้องละอากุศลต้องเจริญกุศลนีสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะสัมมาสติเนี่ยมันจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเอง กิเลสเกิดที่ใจเท่านั้นแหละไม่เกิดที่อื่นหรอกนะถ้าเรามีสมาสติอย่างถูกต้องแล้วนะสัมมาสมาธิจะตามมาอัตโนมัติเลยนี้พระองค์มรรคทั้งแปดสมบูรณ์แล้วนะอริยมรรคตัวจริงก็จะเกิดขึ้นมรรคแปดข้อเนี้ยยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคเท่านั้นเรียกว่าบุพภาคมรรคบุพภาคหมายถึงเป็นส่วนเบื้องต้นนะของอริยมรรค เวลาที่อริยมรรคเกิดนั้นเกิดชั่วขณะจิตเดียววูบเดียวเท่านั้นเองจิตก็ล้างกิเลสเด็ดขาดไปแล้ว น, นี่คือเส้นทางที่พวกเราจะไปะเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เรามันเลยขั้นว่านั่งสมาธิยังไงจะสงบทํายังไงจะเป็นคนดีมันเลยตรงนั้นมาแล้วมันมาถึงขั้นที่มีสติการจเจริญสติปัฏฐานมีสมาธิที่ถูกต้อง งา้นงานทางใจที่เราจะพัฒนานะมีเป้าหมายที่ถูกต้องคือลดละกิเลสเจริญกุศลวิธีที่จะทำไปสู่เป้าหมายนี้คือการมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเราจะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานในพระพิธรมสอนเอาไว้ชัดเลยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา นี้บางคนนีเรียนนะพี่รำนะก็คิดว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาไอ้นั้นตื้นเกินไปสมาธิมีหลายชนิดเดีนะ๋ยวพรุ่งนี้หลวงพ่อจะสอนให้สมาธิมีตั้งหลายชนิดมีตั้งแต่มิจฉาสมาธนะิทําให้ตายก็ไม่เกิดปัญญามีแต่ยิ่งโง่มากกว่าเกา่านะสัมมาสมาธิยังแยกออกเป็นสองส่วนนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมีอารมณ์เป็นตัวหลักจิตอยู่กับอารมณ์มันเดียว อันนี้เรียกว่าอารามณูปนิชานเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนทําให้จิตมีกําลังสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญมากเลยเรียกว่ารักขณูปนิชานจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะงั้นพรุ่งนี้เราจะเรียนรายละเอียดอดทนนะมาเรียนอีกวันหนึ่งโอกาสที่เจอหลวงพ่อเนี่ยไม่ง่ายนะอย่าว่าแต่คนทาง บ้านพี่เมืองน้องเมืองลาวเพื่อนบ้านนี้เลยนะคนไทยเจอหลวงพ่ อ, อยังยากเลยเนะี่ยในนี้เลยมีคนไทยตามมาเป็นร้อยเลยนะอยากเจอหลวงพ่องั้นเราเจอแล้วนะพรุ่งนี้อดทนมาฟังต่ออีกทีหนึ่งเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิถ้ามีสติมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาเกิดแล้วต่อไปวิมุติจะเกิดความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นอาต่อไปนี่จะตรวจกันบ้าน นะสมัยหลวงพ่อเรียนนะ<ม>ก็เคยส่งกันบ้านครูบาอาจารย์เหมือนกันเวลาเราพานาเราไม่มั่นใจนะก็ถามครูบาอาจารย์บางครั้งยังไม่ทันถามเลยท่านเห็นหน้าท่านเฉงเอาแล้วจวกเอาแล้วว่าภาว น, ะนาผิดไปแล้วหลวงพ่อเคยเจอนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่โะองค์นะี่น่า ก, กลัวมากเลยเราไปทําอะไรไว้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยหู่ไส้ลูภพุงเรานะ ทุก ว, ว น, นี้พวเราก็มากลัวหลวงพ่อต่อเนาะหลวงพ่อได้แก้แขนเมื่อก่อนนี่กลัวครูบาอาจารย์เหมือนกันแหละ <c oughs> อ้าวคนที่หนึ่งว่าไหมกราบนำ้ำมศการหลวงพ่อะามูดปามูชูขน้อยอยากขอหลวงพ่อเมตตาให้ขน้อยแดชสาหรับธนบุญว่าปฏิบัติที่ตัวเองปฏิบัติผ่านมาถึกหรือบา <c oughs> ปฏิบัติถูกอยู่นะ <c oughs> ต้องพัฒนาไปกว่านี้อีกสังเกตไหมว่าจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเราแต่ก่อนไม่เหมือนกันละโดยดูไหมดูออกดได้เห็นไหมจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตแต่ก่อนไม่เหมือนกันจิตแต่ก่อนเปนจิตที่ถลำโลงไปคลุกอยู่กับโลกจิตตอนนี้มันห่างโลกออกมาดูออกไหมดยห่างลายจิตมันห่างโลกออกมานะฝึกไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันเหนือโลกเลยจิตที่เหนือโลกเรียกโลคุตระนะ จิตที่ยังคลุกอยู่กับโลกเป็นโลกี้ยะค่อยๆฝึกไปค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้จิตใจเรียนรู้ร่างกายของตนเองไปเรื่อยๆที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้นะปฏิบัติ ด, ดีอยู่บใจละแต่จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมดนะจิตไม่เข้าฐานจิตมันว่างๆกระจายออกไปข้างนอกนะให้รู้ทันว่าจิตยังไม่เข้าบ้านนะยอย่าไปดึงจิตคืนมา แค่รู้ว่ามันไม่หมาเท่านั้นแหละนะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะค่อยๆพัฒนาไปทักคนต่อไปกรับน้ำมัสการหลวงพ่อประโมทเป็นครั้งทบ่ดีๆมีโอกาสได้พบหลวงพอ่อพิติยินดีหลายครับขน้อยได้ปฏิบัติมาในระยะหนึ่งแล้วอาเมื่อนี้อยากขอให้พระอาจารย์สวยแนะนำว่าขน้อยปฏิบัติ ถึกหรือบาเจ้าดูออกไม้ว่าเราตื่นเต้นดูออกไม้ว่าตื่นเต้นแล้วเราพยายามควบคุมตัวเองนะดูออกไม้ว่าจิตขณะนี้เลยไม่ใช่จิตปกติไม่ใช่จิตธรรมดาเป็นจิตที่ถูกควบคุมอยู่นะให้เรารู้ทันนะจิตเรายังไม่ตั้งมั่นขณะนี้ไม่ตั้งมั่นเราไปกดให้มันนิ่งไว้เฉยๆในภาพรวมที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้นะปฏิบัติอยู่ถูกแล้วละ่ะ ก็ค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงเรารู้ทันเนี่ยตอนเนี้ยมันหนีไปคิดรู้ไหมมันไหลวูบไปไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปละทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันเลยแล้วตื่นได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไปเรื่อยๆะดีใช้ได้ไปฝึกเอาขอกันบ้านกับหลวงพ่อนี่ไงให้แล้ว กับ ร, รู้สึกกายรู้สึกใจไปะแล้วถ้าใจเราหนีไปเราก็รู้ทันะสมาธิมันก็จะเกิดกลาวน้ำสการหลวงพ่อค่ะค่ะขน่อยเคยปฏิบัติมาแล้วแต่ยังสงสัยว่าในการปฏิบัติของขน่อยนั้ขาดสมาธิหรือว่าเนี่ยใดสมาธิมันก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแหลกวันนี้ชาร์จไว้เต็มพรุ่งนี้มันก็ หายไปแล้วนะะสมาธิเองเป็นของเกิดเกิดดับๆับไม่ต้องกังวลมากหรอกนะเรามีแบตมือถืออยู่นิดหน่อยก็พูดได้นิดหน่อยเหมือนกันนะไม่ใช่พูดไม่ได้เลยนะสมาธิยังไม่มากพอนะสมาธิยังไม่มากพอเหตุที่สมาธิไม่มากพอเพราะพื้นของนิสัยเราเป็นคนช่างสงสัยนะมันใช่ไม่ใช่มันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะให้เราคอยรู้ทันไป จิตสงสยัยรู้ว่าสงสยัยจิตเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นนะอย่างตอนเนี้ยจิตไหลไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดแล้วมองเห็นไหมตื่นเต้นเยอะไปตื่นเต้นหลาย <c oughs> ตื่นเต้นหลายธรรมดานาะใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเนาะกลัวความลับล้วไหล ไม่ล้วงความรับใครหรอขนอย ด, ดูแต่กรรมฐานเรื่องอื่นไม่เอาขน้อยยางไรล้วงพอขนาดนี้จิตกับตะกี้ไม่เหมือนกันล้รู้สึกไหมจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะเพราะจิตตรงนี้เป็นธรรมชาติมากขึ้นปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาตินี่แหละแล้วเราก็มีสติรู้ความปรุงแต่งรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดแลวรู้ไหมดูจิตยากดูกายไว รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่นะรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายขยับใหม่ขยับมืออย่างเงี้ยนะรู้สึกกายไปเรื่อยๆนะดูกายเก่งกว่าดูจิตการปฏิบัติไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดแล้วบางคนก็ดูกายบางคนดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บางคนก็ดูจิตที่เป็นกุศลากุศลดูอะไรก็ได้ นะสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเหมือนประตูเมืองสี่ทิศประตูทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกนะเข้าประตูใดก็ได้เราก็เข้าเมืองได้ทางนั้นแหละเพราะนเราไม่ถนัดที่จะดูจิตใจเราพอดูกายเห็นร่างกายมันยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะร่างกายคูร่างกายเหยียดเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว ใ, หใจเราเป็นคนรู้สบายสบายไปเดีนยวปัญญามันก็จะเกิดร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตใจที่เป็นคน ร, รู้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเดี๋ยวปัญญามันค่อยเกิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่อยรู้สึกนะเนี่ยยกมือแล้วก็รู้สึกเห็นมือมันยกนะดูไปเรื่อยๆแล้วตาเป็นจะเห็นจิตเองนะหลวงปู่มั่นท่านเคยสอนบอกว่าดูกาย เ, ยเพื่อให้เห็นจิตดูกายแล้วเราจะเห็นจิตเพราะกายเนี่ยเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้าน บางคนอยู่ๆหาเจ้าของบ้านไม่เจอไม่รู้เจ้าของบ้านมันไปอยู่ที่ไหนเราไปเฝ้าหน้าบ้านเขาเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เจอเจ้าของบ้านเพราะนั้นเราค่อยรู้อยู่ที่กายเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นจิตตนเองชัดเจนขึ้นมานะไม่ต้องรีบร้อนนะการปฏิบัติเนี่ยเราพอนากันทั้งชีวิตเลยไม่ต้องรีบหรอกโดยพื้นฐานใช้ได้นะโดยพื้นฐานดีอยู่แต่ว่าใจเนี้ยชอบหลงไปคิดเนี้แทนที่ให้มันคิดสเปะสะปะไปนะ คอมารู้สึกในร่างกายเรื่อยๆเวลาเราลงไปอยู่ในความคิดเราจะลืมร่างกายตัวเองให้มันคิดอยู่ในร่างกายเนี่ยคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกนะคิดเข้าไปเรื่อยๆอยู่ในกายเนี่ยใจของเราจะค่อยๆมีพลังขึ้นมามีสมาธิขึ้นมานะเรียกว่าทํากายคตาสติเดี๋ยวสมาธิจะเกิดขึ้นค่อยๆฝึกนะทําไปแม่ตู้ว่ามา มาสการขอนะมามสกาดหลวงปู่น้อยฟังสิดีหลวงปูม่มากับประมาณเกือบปีน้อยปฏิบัติตามสิ่งหลวงปู่อันเทศนะนอก็รู้สึกวา่าพึ่งพุ่งซานโบสงบกับมีแต่ ได้ฟังเทศตลอดเวลาภาว น, นาไม่อย่างกะคิดใจมันออกนอกตลอดอดึงเขามากกะน่อยนึงกะออกน่อยดึงเขามากะ อ, อ, อย่าอย่าไปดึงนะมันออกเรารู้ว่าออกดีกว่ากลัวมันออกเราไปดึงเอาไว้ อ, นะออกไปรรู้ออกเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆไ ป, ปน้อยนะน้อยภาวนาอานาปานสติมันม่ อ, อยู่มิต้ว่าพุโทโธนี่คือว่า อเเรก า, ราพุ <S 2> <S 2> โทโธก็ดีนะพุะโทโธเป็นอะไรพุโทโธเป็นความคิดเราจงใจคิดคําว่าพุโทโธนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตอย่างเราพุโทธโธพุทโธเนี่ยพอเราขาดสติเมื่อไหร่มันจะไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมพุโทโธดังนะั้นที่เราพุโทโธเนี่ยเพื่อเตือนตัวเองให้รู้จักจิตใจของเราเองพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตนี้เอง เมื่อเราท่องพุโทโธพุธโทโธไว้เมื่อไรลืมพุโทโธมืน่นั่นขาดสตินีฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่จำเป็นต้องสงบสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็พุโทโธของเราไปเรื่อยๆฝนะากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธนะไปฝึกต่อไปการมารคการลงโว ตอนนี้ขน้อยรู้สึกตื่นเต้นเลยอืมธรรมดา อ, อันคือปกติอันขน้อยเป็นคนที่มีโทสะงุดหงงยิบง่ายอก็การพยายามปฏิบัติโดยการฝึกเบึ้งล้มหายใจแต่โบได้ทงพุทโทแต่เบึ้งการหายใจได้ที่จริงมีบุญนะมีโทสะเยอะเนี่ยเพราะกิเลสนะราคาโทสะโมหะเนี่ยโทสะดูง่ายที่สุดเพราะมันรุนแรง ราคาดูยากเป็นที่สองนะโมหานี่ดูยากเป็นที่หนึ่งดูยากที่สุดโมหะจิตหลงโทสะดูง่ายมันฉูดฉาดตึงตังโครมครามเพราะั้นมีโทสะเนี่ยถือว่ามีบุญนะมีกิเลส ท, ที่ดูง่ายข้อเสียก็คือถ้าจิตเราถูกโทส่ายอมเราจะตกนรกง่ายมันค่ๆเสี่ยงเอานะเดินอยู่บนปากเหวพลาดก็ตกนรกไปมีโทสะเยอะ แต่ว่าโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดต่อไป น, นี้นะไม่ต้องไปทำลมหายใจหรอกยิ่งหายใจยิ่งโมโหนะมันไม่สงบสัทียิ่งโมโหใหญ่บริกรรมเจริญเมตตาไปนะบทสวดเมตตาชอบบทไหนก็เอาบทนั้นก็ได้นะอย่างครูบาอาจารย์ก็มีบทเมตตาหลายบทแล้วแต่เราชอบนะเจริญเมตตาไว้มันเป็นคู่ต่อสู้กับโทสะ อย่างบริกรรมเมตตาเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือเมตตาคุณังอรหังเมตตาอย่างนี้ก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปใจเย็นๆใจร่มๆนะค่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันร่มเย็นเป็นสุกนะสมาธิมันค่อยเกิดพอสมาธิมันเกิดต่อไปพอจิตมันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราก็มีสติรู้เราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตนี่เป็นคนละานกัน ความโกรธแป็นแค่ความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็หายไปเนี่ยเลยเป้ารู้อย่างนี้นี่ว่าเราเริ่มเจริญปัญญาละวเราจะเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับอันนี้เราทําวิปัสสนาแล้วนะเพราะงั้นเวลาเรามีความโกรธไม่ต้องไปคิดว่าทํายังไงจะหายโกรธมีความโกรธก็อย่าไปทําผิดศีลเท่านั้นแหละส่วนทางจิตใจของเราเนี่ยดูมันเข้าไปโกรธรู้ว่าโกรธ ดูสิมันจะโกรธนานแค่ไหนเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอย่างเงี้ยความโกรธเกิดยังไงก็ดับนะมันดับของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันหรอกชีโมโหนะบุญแล้วละ่ะดูง่ายนะถ้าพวกใจลอยเนี่ยโอ้ยดูยากที่สุดนะพวกใจลอยเมอทั้งวันอะ่ะภาษาลาวมีไหมคำว่าเมอเมอหลงห ล, งหลงไปอะไรเงียเื้อเฟลเื่ อ, อนๆอนเลยเนะี่ยโอ้ยดูยากนะวันวันหนึ่งนะเมอเมอหลงหลงทั้งวัน ดังนั้นยากที่สุดเลยแต่ถ้าโกรธเนี่ยดูง่ายรู้จักโกรธทุกคนไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมมนุษย์ผิดปกติเลยนะมันก็ต้องมีโกรธบ้างโกรธแล้วรู้พอจะเห็นเนี่ยตอนนี้จิตโกรธสักพักหนึ่งนั่งดูไปนะกลายเป็นจิตไม่โกรธแล้วจิตที่รู้ว่าโกรธไม่ใช่จิตโกรธนะคนละดวงกันละเฝ้ารู้เฝ้าดูไปได้เห็นจิตนี้เกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็จิตไม่โกรธ าดาวโดไปอ่ะต่ อ, อไปนมัสการหลวงพอ่อขน้อยก็ว่าจะได้ปฏิบัติตามหลวงพรตั้งตามสิดีบ่กะกับก่บมเมนแต่ปฏิบัติตามความเข้าใจของตัวเองอืมเนะพิ่นว่าอิติปิโส1 0เมือ่อนึงให้ได้ก็ดีขน้อยก็เอาแบบนี้อการปฏิบัติแบบนี้มันมัน หมอสมกับขน้อยและโบอาจารย์หมอสมสวดไปได้ตายไปก็ไปขึ้นสวรรค์ไปสวดต่อบนอน้น <c oughs> ถ้าเราอยากดีกว่านั้นนะการที่เราสวดอีทีพีโซร้อยแปดเนี่ยเราได้บุญหลายตัวนะอันหนึ่งเราต้องอดทนใช่ไหมเราต้องอดทนตั้งใจไว้แล้วต้องทำให้ได้อันนี้เรียกว่าอธิฐานน้บาลามีตั้งใจไว้แล้วทำให้ได้ เราต้องอดทนอดกลั้นต่อความขี้เกียจมีขันตินะแล้วก็สวดมนต์ไปจิตใจจดจอ่ออยู่กับการสวดมนต์ก็ได้สมาธนะิแต่ถ้าสวดไปแล้วก็นั่งนับรูปคำํำนเะมื่อไหร่มันจะครบสักทีอย่างนี้ไม่ได้บุญหรอกนะอย่างนี้สวดไปโมโหไปนะเพราน้นจะสวดอีกทีพิโสร้อยแปอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่สวดไปด้วยใจสบายสบาย นะแล้วก็รู้เท่าทันใจของเราไปใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราสงบก็รู้บางวันสวดมนต์ไปใจฟุ้งซ่านเป็นไห ม, ไมบางวันก็ฟุ้งใช่ไห ม, ไมเออสวดไปฟุ้งซ่านไปก็รู้ว่าใจฟุ้งซ่านอย่างเนี้เราจะต่อยอดไปจะพัฒนาขึ้นไปสู่การเดินปัญญาได้ถ้าสวดอิทีวีโทร้อแปดอยู่เฉยๆมันได้แต่สมาธนะิมันจะไม่เดินปัญญางั้นสวดไหนๆก็สวด แ, แล้วก็สังเกตจิตไปด้วย วันนี้สวดมนต์จิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วชอบรู้ว่าชอบนะวันนี้สวดไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดลำคาญใจรูวร้ว่าลำคาญใจถ้าสวดแล้วก็อ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเนี้เราจะได้บุญหลายนะได้บุญมากกว่าสวอดอิทิวิโสเฉยๆนะแต่ว่าตอนขน้อยสวดบางมือขน้อยกะพอละลึกถึงเห็นหน้าพระพุทธเจ้าตลอด แต่ว่าตอนละลึกถึงเทือที่หนึ่งเทือที่สิบต่อไปมันเป็นอันใหม่อ้าวไปแล้วนั่นนาสีพระพุทธเจ้าเปลี่ยนหน้าไปแล้วอันนี้บมเป็นบมเป็นอกุศลบอกหลวงพ่อไม่เป็นอกุศลดอกแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ก็เป็นคือหลวงพ่อเว้าวเลยบางทีนับไปเอ้ามื้อนี้มันร้อยแปดหมดวัแท้อ้าวจจิตมันมีสมาธิร้อยแปดมันก็หมดไวั แต่บางมื้อโอ๊ยจับลายเที่ยวกระบาทันฮอดร้อยแปดเหมือนออเพราะว่าโมโหไปร้อยแปดครั้งแล้วนะ <c oughs> อีตีพิโสยังไม่ได้ร้อยแปดเลยแต่ <c oughs> อาณาขอให้หลวงพ่อมีตาเพราะว่าน้อยโซนหลายส่ว น, นบนไปมันง่วงนอนนะหลวงพ่ อ, อ, อส่วนมากมันก็ซึมแหละนะต่อไปนี้นะกลับบ้านไปหางานทํากวาดบ้านถูบ้านซักผ้านนะทําไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆเหมือนดูคนอื่นเท่าทํางานน่ะ เดี๋ยวเราจะได้ต่อยอดไปสู่การเดินปัญญาได้พยายามดูร่างกายไว้ให้ดูจิตเนี่ยยังดูไม่ไหวใ จ, จมันจะซึมถ้าใจซึมเดี๋ยวมนั่งไปดูไปเดี๋ยวก็หลับเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกไว้กวาด บ, าบา้านถูบ้านอะไรเงี้ยะเคลื่อนไหวไปนำเนาะหลวงพ่อเนาะอะไรนะต้องเคลื่อนไหวไปนําไว้พระก็เคลื่อนไหวไปนําจึงสื่อหมายถึงอะไรถามว่า<ฮะ> ว่ายพระก็เคลื่อนไหวไปด้วยตั้งหนิงเชงไปด้วยไหมอ๋อไม่ต้องหรอกแต่ว่ายพระไม่ต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวพระต้องวิ่งตามเรานะจะฟังให้จบเพราะเราไปโน่นแล้วพระอยู่นี่อ่ะนะโอเคหลวงพ่อแล้วลูกควรจะเอาวิหารธรรมอันไหนมาเป็นเอากายเอากายอย่างเดียวใช่กายต้องใช้กายนะเจะดูสะดวกหน่อยอ่าต่อไปวงพ่อั มนาศการหลวงพ่อค่ะอน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากอที่จะได้ได้มาพบหลวงพ่อจิตมันมีปีติดูออกไหมอ๋อดีใจค่ะเพราะว่าท่าน้อยมาอยู่ที่นี่ยี่สิบเก้าปีได้ยินแต่ชื่อท่านเขาบอกว่าคนไทยขึ้นมาข่าน้อยก็สมัติมายังไม่รู้ว่าจะถามอะไรท่านเลยค่ะแต่ไม่ได้ยินแล้วล่ะโยม ก็คิดว่ า, อ, าอยากจะถามท่านว่าขนอยปฏิบัติไปได้ถึงไหนแล้วแลว<ด>ถูกต้องไหมคะปฏิบัตินะ่ะถูกทั้งนั้นแหละนะแต่เราไม่ได้ปฏิบัติถึงไหนนะเราปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันนี้แหละคอยอ่านจิตใจของเราในปัจจุบันนะหรือบางทีดูจิตใจไม่ออกก็เห็นร่างกายอย่างขณะ น, นี้ร่างกายมันนั่งอยู่นะลองยิ้มหวานๆสิยิ้มสิ รู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายมันหัวเราะเนี่ยนะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายอย่างนี้บ่อยๆนะะนี่แหละการปฏิบัติละขอการาบนมัส ก, การพระอาจารย์ข้าน้อยได้ปฏิบัติทำมาเกือบสิบปีแล้ว<ม>แต่ว่าก็โบไปโบมาส่วนใหญ่จะไปยึดติดอยู่บนการปล่อยวาง<ม>กลับมักจะไปเบิงเวลาคนตายไปพิจารณาถึงคนตาย จนกว่าสองปีก่อนได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์เกี่ยวกับการบังชิดปัจจุบันกับปฏิบัติสองปีแล้วผมว่าปฏิบัติถูกต้องเลยบอสถูกต้องรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าปฏิบัติผิดนะกี่ปีมันก็อยู่ที่เดิมแหละอย่างตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายกับจิตเน้นโคล่านกันรู้สึกไหมความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็โคล่านกันรู้สึกไหมโลบโกรธหลงกับจิตก็โคล่านกัน ต่อไปนี้นะสติเราระลึกลงในกายแล้วก็เห็นความจริงของกายไปไกยนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูะกุศลอกุศลก็ของถูกรู้ถูกดูพื้นจิตของโยมนั้นเป็นพวกปัญญามากนะงั้นดูลงอนัตตาไว้ดูทุกอย่างเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้บ่อยๆนะ เห็นกายก็เห็นกายเป็นอนัตตาดูจิตก็เห็นจิตเป็นอนัตตาไปอันนี้จังอะไรนี่เอาไม่ลงหรอกโดยคนถามสุดท้ายอยากเพื่อให้แน่ใจอยากขอถามพระอาจารย์ปัจจุบันจะเห็นกายเห็นจิตเห็นกิเลสเป็นสติแย่กันยูสีอันยังจะแจ้งใช่เวลากิเลสจะเกิดอ่ะสติเขาเกิดขึ้นก่อนมันจะอายคืเอเด็กน้อยอบว่าถุกต้องมรที่เห็นทันถูก เรามีสิ่งที่เรียกว่าฮิริอตตปะนะฮิริเนี่ยเราละอายใจที่จะทำตามกิเลสโอตตปะเนี่ยเรากลัวผลของกรรมชั่วนะมันจะละอายใจเองงะยิ่งภาวนามีสติมากๆนะมันจะละอายใจเวลาจะทำชั่วนะทําถูกแล้วละ่ะถ้าปฏิบัติแล้วก็ทำชั่วโดยไม่ละอายเนี่ยนะผิดแน่นอนนะ มรส ก, การพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์โดยสิเนาว่าการปฏิบัติของข้าน้อยนี่มาจากทางไนบางเนาะส่วนใหญ่ข้าน้อยนะกันใช้พุโทโธเป็นหลักใช้พุทโธไปแต่ไม่ใช้พุโทโธให้จิตนิ่งนะพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุธโทโธจิตนี้ไม่คิดเรื่องอือนละรู้ทันว่าจิตนี้ไปพุโทโธพุธโทโธจิตสงบรู้ว่าจิตสงบพุโทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน นะพุโทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วมันจะก้าวหน้าได้เราอีกปัญหาหนึ่งข็น้อยติดอยบนบนว่ามันมันนิ่งก็ว่างอืมอย่าให้มันไปติดนิ่งติดว่างนะห <c oughs> ลวงปู่มั่นเพ้นบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าจิตมันติดนิ่งติดว่างติดเฉยนะมันไม่เดินปัญญาหรอก <c oughs> เราอย่าไปประคับประคองมันที่มันนิ่งมันว่างเพราะเราเวลาเราพูดโธนะเรา ไปบังคับจิตนะให้มันนิ่งๆอย่างตอนเนี้เรายัางติดการบังคับอยู่รู้สึกไหมปล่อยให้มันอิสระแล้วมีสติตามรู้นะไม่ให้ปล่อยอิสระแล้วตามใจกิเลสไปนะปล่อยอิสระให้มีสติตามรู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตโลภขึ้นมาก็รู้ะจิตหนีไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่บังคับจิตว่าห้ามโกรธห้ามโลภห้ามหลงไปมันหลงก็รู้มันโลภก็รู้มันโกรธก็รู้ เนี่ยตอนนี้มันหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันฟังหลวงพ่อพูดเห็นไหมจิตมันเบิกบานขึ้นมาเลยตรงที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดปุ๊บจิตเบิกบานจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นเองแล้วมันง่ายๆแค่นี้เองเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตลงไปคิดนะเพราะนั้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผู้นี้สอนรายละเอียดให้มีวิธีพัฒนาจิตผู้รู้เยอะแยะเลยนะตอนนี้จิตเป็นผู้คิดแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่ผู้รู้ละ เนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้พุทธโทไปพจิตเป็นผู้คิดก็รู้ทั น, นแล้วมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นเองขกาน้อยเข้าใจว่าน่าจะสามารถแยกขันเบื้องต้นในอันนี้เข้าใจได้อยู่ยมันน่าสงสารนะพวกเราบางทีภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะแต่เราไม่รู้หลักเราไม่รู้ว่าการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นที่แยกรูปแยกนาม บางคนก็ไปฝึกนะเห็นท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันนึงไอ้นั่นมันแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามนะแยกรูปกับนามเนี่ยนามเป็นคนรู้รูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้หรือเจตสิกสุขทุกขเกิดมาเปลี่ยนแปลงเคลื่อ น, นไหวจิตเป็นคนรู้กุศลอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคนรู้มันต้องมีจิตที่เป็นคนรู้ถ้าไม่ได้จิตไม่ได้ทํา การแยกรูปแยกนามเนี่ยจริงๆแล้วคือแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันในภาษาบาลีใช้คําว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามที่จริงถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันแล้วเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงทั้งจิตทั้งอารมณ์ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราไม่มีละวเอาของโยมว่างไง นอมนมรมจักรหลวงพอ่อก็น้อยปฏิบัติมาสิบปีแต่ว่าสองปีมา น, นี้ได้ติดตามผลงานของหลวงพ่อผ่านย t u b e ดีใจลายที่ได้มาพบหลวงพ่อมา น, นี้ดีใจด้วยนออ้อครับขอคอย ห, หลวงพ่อซีเนะ่เพื่อความก้าวหน้าเติมขึ้นดีเราอย่าบังคับจิตให้นิ่งนะของโยมตอนเนี้ยบังคับจิตให้นิ่งอยู่รู้สึกไหม มันนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดาจิตธรรมดาประเดี๋ยวก็สุขปเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีปเดี๋ยวก็โลภกรลดหลงตรงเนี้ยตรงที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสอนธรรมะเราสอนถึงความไม่เที่ยงให้เห็นนะเราะั้นเราอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆถ้าบังคับจิตให้นิ่งเนี้ยปัญญามจะไม่เกิดนะปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรูร้ไปฝึกนะฝึกไปอย่าไปบังคับจิต ร, รู้<อ>ไหมว่าเราฟุ้งซ่านเก่งดูออกไหมดูโอ้ดูต้องดูออกสิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อยังดูออกเลย <c oughs> ใจเราฟุ้งซ่านเพราะฉะั <c oughs> ้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้ใจอยู่นะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้หรืออยู่กับการสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้ ทุกวันนี้อันโยมอาศัยอันการเคลื่อนไห ว, วคือทุกๆเ้าจะทาโฮแบบโดยใช้อันการดิ้นโยคะรักะรัก็ในประจําวันก็รหูากายหูใจเท่าทีหูได้แล้วอยากขอให้หลวงพ่อแนะนําว่าต้องเห็ดอย่างเติมเพื่อให้ดีขึ้น เราทำโยคะเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งอย่าให้ใจมันนิ่งๆเฉยๆรู้เฉย ๆ, ๆอย่างนี้ไม่ดีนะะให้ใจเป็นธรรมชาตินะแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติเราต้องการเห็นความจริงของมันเราไม่ได้ต้องการบังคับมันนะงั้นเราก็ปล่อยให้จิตใจมันทํางานไปแล้วเรามีสติ ต, ตามรู้ไป เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างตอนเนี้ยจิตหลงไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดอย่างนี้เรื่อยๆไปนะจิตไปคิดก็รู้นะจิตสุกจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้ทันอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเออไม่ใช่ห้ามคิดนะจิตมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดมันจะต้องคิดแต่คนทั่วไปนะจิตหนีไปคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นของเรานะพระจิตหนีไปคิดเรารู้ทันไว้แต่ต่อไปเราจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยง จิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้จิตคิดก็ห้ามไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอณาโยมท่านทาสมาธิแบบที่ให้ไปนั่งสมาธิบริว่ตั้งใจเขาเจ้าเอิ้นอย่างที่ว่าเอาจิตอยู่บอเดี่ยวตลอดท่านค่อนข้างยากละ และการทำสมาธิโดยที่ทำรูปแบบคือเฮ็ลุลินโยคะและจิตลงไปละลู่นี่สมาธิซัมเน่ก็สามารถาเดินต่อได้อยู่บ่ได้นะแต่วันหนึ่งเราจะเล่นโยคะสักเท่าไหร่ล่ะ <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งเล่นจะ ก, กี่ชั่วโมงใ่เวลาที่เหลือเนี่ยสมมติเราเก่งตอนเล่นโยคะนะตอนไม่เล่นโยคะเราดูไม่ออกเนี่ยวันหนึ่งเราได้ดูนิดเดียว พยายามพัฒนาความสามารถของจิตใจนะคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของเราความรู้สึกมันจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึบนะเพราะฉะนั้นเวลามันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปแต่กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิกเกดชั่วขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ฝึกให้เยอะๆหน่อย เก่งตอนโยคะไม่พอนะเวลาป่วยหนักใกล้จะตายต้องลุกขึ้นราโยคะอย่างนี้นะมันทําไม่ไหวอะ่ะเห็นไหมต้องฝึกให้ได้นะไม่ได้เล่นโยคะก็ต้องมีสติให้ได้ตอนนั้นตะนั้นต่อไปนี่โยมนี่ ท, ทุกวันนี่เดินจงกรมเพิ่มเนาะได้ดีเวลาเดินจงกรมก็อย่าบาังคําจิตให้นิ่งเนาะเวลาเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วเข้าใจเราหนีไปที่อื่นรู้ทัน ใจมันไหลไปอยู่ที่เท้าว่ารู้ทันใจมันเคลื่อนไปทางไหนเขารู้ว่าเฉยๆนะไปฝึกไปเดินจงกรมไปรู้สึกตัวไปนมันสการ์อาราจัลูกมีสองคำถามคำถามแรกสองปีก่อนลูกได้การบ้านจากส่วนสันติธรรมว่าจิตบุมีกำลังลูกก็เลยไปเดินจงกรม แต่หลังจากเดินแล้วรู้สึกว่ามันนี่เป็นการบังคับโมรู้สึกโบหมักก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่ามีวิธีการอื่นบอที่จหายใจจิตมีกำลังขึ้นขณะนี้จิตมีกำลังมากกว่าเมื่อก่อนนะรู้ไม้มขณะนี้ขันมันแยกแล้วรู้ไหมเราพัฒนาแล้วนะมันไปเดินต่อเราทำถูกแล้วทำต่อไปอย่าไปหลงกลกิเลสนะ ถามมาถามหลวงพ่อเดินจงกรมไม่ดีเพราะงั้นไม่ต้องเดินอย่างนั้นไม่ดีนะเดินไปยังมีแรงเดินเดินไปถ้าเห็นร่างกายมันเดินไปที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะเห็นไหมจิตมันเบิกบานได้มันเบิกบานของมันเองเห็นไหมดูไปด้วยอะไรเห็นจิตมันทํางานได้เองสุขได้เองทุกข์ได้เองดีเองช่วยเองนะดูไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกอย่างตอนนี้เราบังคับจิตแล้วรู้สึกไหมเราไปรวบจิตเข้ามาล้ว อย่าไปรวบมันเข้ามาอุตส่าห์จะหายใจเพื่อจะให้คลายซะอีกเนี่ยยังไม่ต้องหาทางแก่ที่ไปรวบมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็หายภาวนาใช้ได้นะก้าหน้าสองปีนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วมีคำถามที่สองสุดท้ายวิหารละธรรมของลูกมันใสอย่างดีอะไรก็ได้มันภาวนาเป็นแล้ว สติะระลึกรู้กายก็เห็นความจริงของกายสติะระลึกรู้เวทนาก็เห็นความจริงของเวทนานะสติะระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็รู้ทันไปนะเราใช้กายใช้จิตเนี่ยเป็นเครื่องอยูนะ่ตัวสำคัญก็คือความมีสตินะมีสติไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ตรงนี้ไม่ถูกแล้วนะตรงนี้บังคับลนะดูออกไหมเออดูออกแล้วก็ดีแล้ว อ่ะต่อไป น, นมามสการหลวงพอ่อยากให้หลวงพ่อแนะนํำเกี่ยวกับการวิธีการเจริญดวงกสินที่ถูกต้องเนา ะ, ะเจริะอะไรนะดวงกสินดวงกสินกระสินในเจริญมันทําไมล่ะ เ, เพราะว่าข้าน้อยฝึกไปแล้วรู้สึกว่ามันเหตให้จิตใจเฮาสงบมันต่อยอดยากนะเล่นกสินเนี่ยต่อขึ้นเดินปัญญายากมากเลย แล้วมันต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์มันมีของเล่นเยอะหนะลวงพ่อตอนเด็กๆทรมานาปณสตินะแล้วมันพลิกไปเป็นกระสินเล่นกระสินอยู่ทั้งหลายกองอย่างตรงที่เราเห็นลมพัดไปพัดมาเนี่ยม่คือกระสินลมนะลมเนี่ยมันไหลผ่านช่องว่างของจมูกนี่คือกระสินช่องว่างนะพอหายใจหายใจไปลมระงับกลายเป็นแสงอันนี้เป็นกสินแสงนะ มันกลายเป็นกสินขึ้นมาหลายดวงเลยแล้วก็ทุกดวงมันลงที่เดียวกันคือกลายเป็นแสงสว่างแล้วพอมันเป็นแสงสว่างนะหลวงพ่ อ, อยังเด็กไม่รู้วิธีไปต่อไปดูที่แสงคราวนี้ยเราอยากรู้อยากเห็นนรกสวรรค์อะไรนะจิตมันวิ่งเอา้าตามแสงออกไปดูเลยนะดีที่ไม่บ้าซะก่อนนะดีว่าเกิดกลัวผีขึ้นมาเ อ, อกไปขึ้นสวรรค์ไม่กลัวนะกลัวลงนรกไปเจอผีแล้วทํำยังไงอนะ่ะเรากลัวผีอ่ะ เลยตั้งแต่นั้นนะไม่ยอมตามแสงออกไปเลยเล่นกระสินต้องอยู่กับครูบาอาจารย์นะถึงจะปลอดภัยอยู่เดี่ยวเดียวอย่างนี้อันตรายอย่าไปเล่นเลยมันน่ากลัวมากเลยนะจิตที่วิ่งออกไปเนะี่ยตอนนั้นพ่อของหลวงพ่อตายะพอพ่อตายแล้วเอาศพไปไว้ที่วัดระขังตอนนั้นมันนานเก่าแก่แล้วโคดังเก็บศพมันก็บูร ăm โบราณหลังคาก็รั่วหลังคาก็สังกระสีอะไรอย่างเงี้ย ฝนมันตกน้ำฝนเนีน่ยรั่วลงไปที่โรงจนกระทั่งฝาโรงทะลุนะแล้วน้ําก็ไปขังอยู่ในโรงวันทําบุญห้าสิบวันหรือร้อยวันจำไม่ได้แล้วสับเปลือกเขาก็ยกเมืองลราวรู้จักสับเปลือกไหมคําเดียวกันใช่ไหมสับเปลือก็ยกโรงออกมานะเสียงน้ําจ้องแจ้งจ้องแจ้อ ง, จ อ, งอยู่ในโรงนะเราก็อยากดู กลัวก็กลัวนะหลวงพ่อกลัวผีนะทำไมยัยงเป็นโยมอยู่กลัวผีที่สุดเลยะใครกลัวผีบ้างอยากหายไหมเจอบ่อยๆแล้วหาย <laughs> เจอรายวันนะหายเลยไม่กลัวแล้วรู้จะ ก, กลัวมันทําไมเนี่ยใจใจมันสนใจนะว่าศพเป็นยังไงสัปเหร่ะะเอเขาบอกอย่าดูนะอย่าดูน่ากลัวที่สุดเลยเสร็จแล้วก็เขาก็เจาะพื้นลง ให้ถะลุน้ำก็ไหลออกไปนะเขาก็เอาแอรนะ์ฟรีชเชอร์ฉีดดับกลิ่นปิดฝาลงเอาไปทำพิธีสวดอะไรสวดเสร็จแล้ว ก, กลับเก็บเข้ากดังไปนะเราเพ่อกลับมาบ้านจิตนะมันร้ายจริงเลยจิตมันอยากดูเราไนะม่อยากดูเรากลัวผีนะพระจิตมันอยากดูนะพระเอ็นหัวลงนอนหัวกระทบหมอนเท่านั้นนะจิตมันออกจากกายเลยมันวิ่งชูด ไปวัดเลยนะเราตกกใจเฮ้ยมึงจะวิ่งไปดูผีแน่นอนนะไม่วิ่งไปที่อื่นเลยตรงเป๊ะเลยรีบหายใจนะดึงจิตกลับมาหเหนื่อยแทบแย่เลยกว่าจะดึงจิตกลับมาได้เพราะจิตมันอยากดูจิตมันไม่ใช่ตัวเราพอมันกลับมาปุ๊บสบายใจนะมันพุ่งครั้งที่สองนะพุ่งไปคราวนี้ไปถึงหน้าโกดังเจ็บศพเลยนะ ไจะเห็นเลยมีลูกกุญแจยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อยู่ตรงนี้นะรีบหายใจใหญ่กลับมากลับมาบ้านพอกลับมาบ้านหลุดครั้งที่สามนี่นะพุ่งเข้าโรงศพเลยนะเราไม่รู้ว่าโรงไหนวิ่งมอนเข้าทุกโรงเลยไนะ้เรายิ่งกลัวผีนะมุ ด, ล ง, ดลงนั้นรุดรงนี้เพรา ะ, ะนั่นอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกนะอย่าไปเล่นนะเล่นเดี๋ยวเพี้ยนเลนยเกิดไปกลัวผีเข้านะช็อกนอนอยู่ในโรงนะ ออกมาไม่ได้เลยเราเคยได้ยินผีสิงไหมหลวงพ่อเนี่ยเคยสิงผีจิตมันมุนมดพรวดเข้าไปอยู่ในศพนะนะมันเหม็นนะศพคนนัะเหม็ น, นจริงนะเหม็นจนขมๆอ่ะเหม็นจนรู้สึกขมอยู่ในคอเลยน ะ, นะกลับมาบ้านยังยังขมไม่หายเลยะเพราะฉ<น>ะนั้นเราอย่าเล่นเลยกับสินนะนะอันตราย <S <S ต้อตอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ถึงจะปลอดภัย อยู่ห่างๆเนี้ยอนาพนสติรู้สึกตัวดีกว่าปลอดภัยกว่านรรมสการอ่านหลวงพ อ, อบุญกรรมเกา่าทรงบลให้ได้มานั่งฟังธรรมในวันนี้ยักขอน้อมเอาบารมีของหลวงพอ่อเสเมตตาเนาะว่าการหักษา อ, อินอจีหรือว่าพลังบุญเกา่าให ม, มันยาวนานเพื่อแก้ไขกรรมเก่าของเขาในอดิตศาสตร์การเวียนว่ายแต่เกิดสรงผลนี่เราต้องเป็นทุกราจฉะนันทุกคนที่มานาั่งยูเมอนี่อยากรูดพ้นจากความทุกข์แต่กระไบว่าถึงจกเทเนะต้องรู้หลักต้องรู้วิธีแน่นจะั ย, ยังหูจักวิธีที่แน่วแน่ว่าการรูดพ้นจากจิตเดิมเก่าของเขา ที่ยังติดกรรมอยู่อืส่งผลให้มาเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราอืเอาเจะเหตุจังไหนเพื่อแก้ไขนีิสินกรรมนั่นด้วยบุญสาธุตรงนี้เราต้องระวังนิดนึงนะเราได้ยินเรื่องแก้กรรมเรื่องอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะเรื่องแก้กรรมเนี่ยไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนให้เราทํากรรมใหม่ที่ดีนะกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะลดล้างอิทธิพลของกรรมเก่าให้เจือจางลง มันคล้ายๆเรามีน้ําเกลืออยู่ถ้วยหนึ่งนะเรากินน้ําแก้วนี้เข้าไปเนี่ยมันเค็มปีเลยกินไม่ได้แต่ถ้าเราเอาน้ําแก้วนี้เทใส่ตุ่มน้ําใส่ถังน้ํามีน้ําเยอะแลเรามากินน้ํานั้นน้ำนั้นไม่เค็มนะการจะแก้กรรมเก่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะมันทําไปแล้วแต่เราสามารถเจือจางผลของกรรมเก่าได้ด้วยการทํากรรมใหม่ที่ดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละ ใจิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นอย่างพระองค์คุริมานไปฆ่าคนตั้งพันคนเคยได้ยินใช่ไหมถ้าพระองค์ุริมานฆ่าคนพันคนแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะแก้กรรมยังไงท่านบอกมันแก้ไม่ได้มันฆ่าไปแล้วอะกรรมมันทําสําเร็จไปแล้วแต่พระองค์ุริมานทําความดีภาวนาถือศีลภาวนาเจริญเมตตาเห็นคนท้องก็ไปแผ่เมตตาเขาออกลูกได้อะไรเงี้ยชาวบ้านคลายความโกรธลง ไปบินธบาติทีแรกควรเอาท่อนไม้เอาก้อนหินกว้างหัวแตกเลยนะอันนั้นพระพุทธเจ้าก็ปลอบบอกเนี่ยชดใช้กรรมดีกว่าตกนรกนะแล้ตอนนี้เป็นพระอรหันต์แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องต้องแก้กรรมเก่าให้หมดนะแต่มุ่งทํากรรมใหม่ที่ดีแล้วมันจะล้าอิทธิพลของกรรมเก่าพราะองค์ุริมาลฆ่าคนพันคนพวกเราใครฆ่าคนได้พันคนบ้างมีไหมใครฆ่าได้พันคนแล้วมีไหม ไม่มีใช่ไหมขนาดองค์ุลิมาร์ฆ่าคนตั้งพันนะนะท่านไม่มานั่งห่วงกรรมเก่านะแต่ท่านมุ่งทํากรรมใหม่ที่ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาท่านไม่ต้องไปตกนรกนะแต่กรรมเก่าให้ผลเล็กๆน้อยๆไปไหนคนก็กลัวไปไหนคนก็เกลียดช่วงแรกๆท่านก็ทํากรรมใหม่ที่ดีเข้าไปอีกนะอยู่กับความเมตตาเห็นผู้หญิงท้องก็ไปแผ่เมตตาเขาออกลูกง่ายอะไรอย่างเนี้ย คนก็เริ่มยอมรับท่านเนี่นยไปที่ไหนคนก็ต้อนรับไม่ใช่ไปที่ไหนคนก็รังเกียจนี่เพราะท่านทำกรรมใหม่ที่ดีแต่ถ้าท่านเที่ยวถือดอกไม้ทูบเทียนไปขอขามาญาติพี่น้องของไอ้คนที่ถูกฆ่ามันคงขอกันไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะงั้นทำกรรมใหม่ที่ดี น, นี่คือวิธีของชาวพุทธนะ ข้อหนึ่งหลังจากปฏิบัติไปแล้วก่อนปฏิบัติกําลังปฏิบัติมันจะแตกต่างกันเนาะเวลาปฏิบัตินี่ขน้อยอันมักจะเจอหลายเขตอยู่ก็คือบรรดาทานได้วเว้าม า, าแหละแต่ก็คอยเห็นหู้ไป mm hmm. ก็ใช้วิธีกําหนดจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป mm hmm. เนาะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ขน้อยอบุพู้สาเหตุคือตัวอย่างเวลาเาหาะนาเวลาเหาะจะนอนทุกครั้งมันมันจะกระตุกโลดนะพระอาจารย์อย่า ก, กระตุกคล้ายๆคือ กศิวะเมนโบมีสมาธิในตัวก็คือซูโบมเมนเพอเขากระสวดมน์สวดมนนั่งสมาธิแล้วกัเหตุเหมือนแล้วลเวลาเขาจะหลับไปแล้วแบบตึ่นตูวกระตุกทุกมือเลยสินะ่ะจะแก้กันจังไรตัวนี้ทนอดทนไว้นะมันจะเป็นยังไงนะห้ามมันไม่ได้หรอกสมองเรามันทำงานขึ้นมานะมันก็เลยกระตุกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องพิลึกพิลั่นอะไรหรอกนะเป็นเรื่องสมองทั้งนั้นนะนะงั้นเราไม่ต้องไปกังวลมันกระตุกก็กระตุก กรนะะตุกก็ดูไปยังไงก็หลับกรนะะตุกทีสองทีจะเป็นไรไปนะ้นำมัส ก, การหลวงพอ่อขณีทรงการบ้านในหอบเก้าเดือนบุหัวยังอยู่ในห้องในหอยบอกพออเพราะว่าอุบัิเหอยนยังแปลกใหม่สภาวะคล้ายๆเก่าะไที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจของเราไป หรือถ้าวันไหนดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้คนดูไปจะรู้กายก็ได้รู้จิตใจก็ได้แต่มีใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆที่ฝึกอยู่นะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วรู้สึกั้ยจิตมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองแต่ความสุขนี้เป็นผลปลอยได้นะไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจแต่เวลาที่เราพานาเนี่ยสมาธิมันก็เกิดขึ้นด้วย นะเวลาที่เราจเจริญสตินะสมาธิก็เกิดเพราะฉะั้นจิตมันจะมีความอิ่มเอิอมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเป็นคลาวคาลนะก็แค่รู้เท่านะั้น่ะมีความสุขก็รู้นะความสุขหายไปก็รู้ไปฝึกต่อไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้สาธุครับนรมาส ก, การหลวงพอ่อเป็นขั้งดำอีทีอาขน้อยมาสรงการบ้าน ขน้อยปฏิบัติธรรมมาหลายปีแต่ว่าสองปีนี้ได้มานำไส่ได้ได้มาฟังที่ที่หลวงพ่อและก็เบงการดูจิตดูใจขน้อยหูสึว่าขน้อยเป็นคนฟุ้งซ่านง่ายก็เลยปฏิบัติทั้งสองอย่างในหูแบบและพญิยามระเบงใจในชีวิตประจำวันปฏิบัติถูกแล้วนะเยจิตใจสบายจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วแต่ไปเราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา จิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะถ้าเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยการปฏิบัติมันดได้อยู่มันบนังเอิญได้อยู่ที่ฝึกนั้นได้อยู่นะ <c oughs> สมถะเราก็ไม่ทิ้งนะทุกวันเราก็แบ่งเวลาทําในรูปแบบให้จิตใจมีเรื่องมีแรงได้พักผ่อนออกจากการปฏิบัติในรูปแบบแล้วอยู่ในชีวิตประจําวัน <c oughs> อ่านจิตอานใจของเราไปเรื่อยๆนะจิตขนาดเนี้ยยังประคองให้นิ่งอยู่รู้สึกไหม <laughs> เอออย่าไปประคองอย่าไปรักษามันให้มันเป็นธรรมชาติจิตที่ดีที่สุดนะ่ะคือจิตของคนธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่เคยปฏิบัตินะมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นก็คือข้อดนะีมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลานี่พวกเราเป็นนักปฏิบัติเนะี่ยเราชอบไปแทรกแซงจิตให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉนะตรงนั้นไม่ดี นัปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเริ่มต้นนะอย่างโยมผู้หญิงแถวที่สามแม่ตู้นั่นนะ่ะนั่นก็ยังบังคับจิตอยู่ไหมเนี่ยที่หันไปดูเพื่อนนะเราเนั่นแหละ <c ười> บังคับจิตอะไรเงี้ยนะหันใหม่ใหม่บังคับทุกคนแหละค่อยๆรู้ไปว่าตอนเนี้ยังบังคับยังแทรกแซงจิตจะทําจิตให้เรียบร้อยเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึงมันก็หลุดออกมา ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกแต่ใจมันล่องรอยไปนิดหนึ่งพยายามอยู่กับเครื่องอยู่ไปตอนนี้ใจมันล่องรอยไปรู้สึกไหมมันแต่อย่างนี้นะไม่ดีอา้าของโยมว่ามากลับนมัส ก, การหลวงพ่อขน้อยขน้อรส่งกันบ้านเถือท่านอีทอ ขน้อยเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมขน้อยจะฟังธรรมะหลวงพอ่อแล้วก็จิตกระไลรไปไปที่ธรรมะหลวงพอ่อขน้อยบะหูบาถือบ่ถูกนะทำอย่างนั้นก็ได้ต่อไปก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆรู้สึกไหมจิตกับร่างกายโคลลานกันดวออกแล้วใช่ไหมดยนั่นแหละอย่างนั้นเราเริ่มเดินปัญญาได้แล้ว แยกรูปแยกนามแต่ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเดินจิตเป็นคนรู้นะแล้วเห็นไหมจิตเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยจิตเราแต่ละเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกตัวนั้นก็เป็นปัญญานะงั้นเราเฝ้าเรียนรู้กายรู้ใจให้เราเรื่อยๆไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีเล้วล่ะนุโมทนาขอ น, นมามส ก, กาดอาจารย์ขั้งนี้เป็นขั้นที่สอง ประมาณสามเดือนแล้วนี่ขั้งแรกพระอาจารย์ให้คําแนะนําว่าให้ไปเบิงความจริงของไต่ลัก mm hmm. อือ่าและอาจารย์กันแนะนาว่าให้ไปเบิงซีดีอาจารย์กับ youtube ก็ได้เบิงมาตลอด mm hmm. ให้เบิงและให้เข้าใจบ่ให้เข้าในสมองก็ได้ปฏิบัติอยู่และในตามรูปแบบก็ได้ปฏิบัติอยู่แต่ว่าตอนนี้อยากให้อาจาย์แนะนําว่าการปฏิบัตินี้ ของขน้ณยนี้เป็นเจ้าใดเนี่ยแกปฏิบัติมันก็ดีขึ้นนะจิตใจมันก็มีกําลังมากขึ้นก็ดีขึ้นแหละแต่มันยังช่างฟุ้งซ่านอยู่รู้สึกไหมมันฟุ้งเก่งนะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้แล้วเวลาจิตมันหลงลืมพุโทโธลืมลมหายใจลืมร่างกายอะไรเราจะได้รู้ตัวได้เร็ ว, ร ว, รวนะ หากเรื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วพะจิตหนีไปเราจะได้รู้ได้เร็วไม่ใช่เพื่อห้ามไม่ให้จิตหนีนะไปทำตรงนี้เพิ่มขึ้นกำลังสมาธิจะได้ดีขึ้นนะตอนนี้ยังสมาธิยังอ่อนไปนิด น, นะนึงการนำมาสการหลวงพ่อลูกอยากถามคือสมัยตะกีนลูกทำอนาปนาสติเบึ้งล้มหายใจ อแล้วหงสึกว่าจิตมันไปจับอยู่บนอ่าทางเข้าลมหายใจออะืแล้วมาจับอยู่หน้าผ้าหงสึกมันเป็นก้อนมวลสารของลมอะอืแล้วมันเห็นแต่ภายในคือว่าหงสึกว่าตัวเองคือขังอยู่ในถ้ำมืดมื ด, มดถูกเวลาดีลารุลล่งได้มาได้ยินได้ฟังหลวงพ่อจากซีดีจาก youtube แล้วลูกออกไปปรับไส้เบิ่งแล้วหงสึกว่าตัวเอง อีกอีกจิตทางในของตัวเองน่ะถอยลังมาอีกศอกหนึ่งและเห็นลมหายใจอืมเข่าจมูกแล้วผ่านค อ, อลงมาที่ท้องแต่ว่าในขณะที่ผ่านลงมานั้นเห็นทั้งหางก่เหนึ่งและกะลมที่อยู่ข้างในหนึ่งพร้อมกันแต่ว่าจิตจะเบิกบานและสว่างกลัวบ่ม บ, บ่มบมืดคือแต่เก่าอ่ะืมปฏิบัติถึงบนลองข้อถูกแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตสว่างนะจิตสว่างเป็นผลปล่อยได้ เราค่อยๆฝึกไปแล้วเวลาเราพอนาเนี้ยขณะเนี้ยเราบังคับจิตมากไปรู้สึกไหมจิตมันจะแน่นๆน่นั่นแหละหนักหเออถ้าเมื่อไห่หนักแน่นแข็งนะแสดงว่าเราบังคับมากไปคลายออกเสนหน่อยนะเรารู้ไปสบายๆนะอย่าดึงจิตเอาไว้อย่าดึงจิตให้ห่างๆออกมานะดึงเยอะไปมันก็จะเหนื่อยปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติจิตไหลออกไปรู้ไม่ใช่จะกลับมาตั้งมั่น แต่ถ้าเรากลัวมันจะไหลเราดึงเอาไว้เนี่ยมันจะอุดหนัดนะอย่าไปรักษามันนะมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไห ม, ไหมจิตนี้ไปคิดนะรู้ว่ามันนี้ไปคิดไม่ห้ามมันหรอกนะตอนนี้ตัวสำคัญที่จะต้องปรับก็คืออย่าบังคับจิตนะไปปรับตัวเนี้ยที่เราบังคับจิตนะเราพยายามดึงให้มันห่างออกมาไม่ต้องดึง เราจะไม่ดึงจิตออกจากอารมณ์ไม่ดันอารมณ์ออกจากจิตถ้าจิตไปจับอารมณ์รู้ว่าจิตจับอารมณ์จิตแยกจากอารมณ์รู้ว่าจิตแยกรู้อย่างที่เขาเป็นนะแล้วสมาธิเราก็จะดีขึ้นเราดึงไว้เยอะๆอย่างนี้สมาธิมันแรงนะแรงขึ้นแต่ลูกถอยออกมานี้มันเห็ุบุธหรือเปล่ามันถอยเยอะไปมันจงใจถอยไปนะถ้าจงใจถอยนะมัน มู้สึกว่าเห็นว่าตัวเองกำลัง อ, อ, อีกค น, นห น, นะ น, นึ่งเนี่ยเสร็จแล้วตัวเนี้ยมันทื่อๆอยู่โดยมันมู้สึกว่าเห็นอยู่ข้างหลังเออมันทื่อๆอยู่ปล่อยมันปล่อยให้มันเกิดดับได้อย่าไปรักษามันไปออถ้ารักษานะ้าจะติดอยู่ตรงนี้แหละกี่ปีมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่พัฒนาเราต้องเห็นอารมณ์ที่ถูกรู้เกิดดับจิตผู้รู้เราก็ไม่จงใจไปตั้ง ทื่อๆไ้ตรงนี้ปล่อยปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปด้วยแล้วอันโคถามีโคหนึ่งเนะี่ยอันคือมู้สึกว่ากา่รมราคามันจะกล้าและมีก็คือว่ามันเวลามันมีนี่เขาอยากเหตุอันอสุภกรรมฐานนะ่ะคืออยากให้มั น, น, นเพื่อไอ้มันเน่านะ่ะตัวนี้ลูกเหตุถืบอบ่ถ้าเป็นพระก็ถูกนะ ถ้าเป็นโยมไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกนะกรรมาราคะมันเกิดจากการมวิตกเกิดจากการคิดเรื่องกามเรายังหนุ่มอยู่ร่างกายมีฮอร์โมนทางเพศมันกระตุ้นนะพอมีกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยใจเราจะคล้อยตามไปคิดคิดเรื่องลาโมกอนาจารอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราไปคิดมากนะกิเลสราคะก็ยิ่งแรงนะ เวลาต้องตัดต้นทางมันคืออย่าไปคิดตามมันให้เรารู้ว่าจิตมีราคะอย่าไปคิดตามราคะที่มันสอนเราครั้งหนึ่งเคยมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าวอาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามาราคะไหมดูไอคนนี้ถามแปลกนะมันไปถามพระพุทธเจ้าว่ามีกามราคะไหมถ้าพวกเราตอบแล้ ว, ลวถ้าเราเป็นพระพุทธเจ้านะเราบอกไม่มีเพราะเราเป็นพระพุทธเจ้าแนละ้ว ท่านไม่ได้ตอบอย่างนั้นเลยท่านตอบว่าเราไม่มีการมราคะเพราะเราไม่มีการมราวิตกสังเกตมหมยิ่งคิดลามกการมราคะยิ่งแรงมันกระตุ้นให้เราคิดเอย่าไปคิดมันนะเราจะไปคิดปฏิคูณอสุภากลับข้างเลยก็ไดนะ้แต่ว่าถ้าเราคิดสนองมันนะมันจะยิ่งแรงขึ้นนะอันนี้หลวงพ่อสอนพระนะพระไปเรียนที่วัดเนี่ยสอน พระหนุ่มเนนน้อยนะมันมีราคาทุกคนเราไม่ใช่ขันทีถูกตอนมาซะที่ไหนลนะ่ะใชก็เป็นผู้ชายปกติมันก็มีราคาแต่ว่าอย่าไปกลัวยิ่งกลัวนะราคายิ่งแรงง่ายนิดเดียวอย่าไปคิดตามที่มันสอนให้คิดพอเราตัดต้นทางเนะี่ยไม่ให้อาหารมันนะมันเหมือนมันเป็นสัตว์ร้ายเราไม่ให้มันกินข้าวเดี๋ยวมันก็ฝ่อตายไปเองอนะ่ะนี่ไม่ต้องไปกลัวมัน อย่าไปคิดตามมันเท่านั้นแหละอย่างเราก็ไม่ใช่พระนะเอเขาที่ต้องนะถือศีลองพระก็ได้เนาะทีพระยังอยากถือศีลห้าถือแบบคารวะบ้างคารวะก็อยากจะถือศีลดังพระบ้างะกับหัวกนะับหางเน้ออาว่าไปากับนมัสการหลวงพอ่อน้อยก็ได้ฟังนาซีดีหลวงพ่อแล้วนะลลกับปฏิบัติรามพอพมาสองสามปีอื งแต่ปฏิบัติมารู้สึกว่าขา้วะนี้มีโทสะจริตเนี่ยแล้วก็วณอาตาถูกดีดีที่เห็นนะเพราะว่าการปฏิบัติยางอยู่ในล่องลอยเลยวะอยู่ถ้ารู้ทันกิเลสตัวเองได้อันนั้นถูกหลักเป๊ะเลยไหมเมื่อเช้ามาหรือเปล่ า, าที่หลวงพ่อพูดเรื่องสัมมาวายมะสัมมาวามะจะชี้ทางให้เราปฏิบัตินะ ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลเพราะฉนั้นถ้าเรามีกิเลสเรารู้ว่ามีกิเลสเนี่ยเราทําถูกละแต่ถ้าเรามีกิเลสแล้วไม่รู้ว่ามีกิเลสนะเราไม่มีทางสู้กิเลสได้เลยแล้วกิเลสที่น่าเกลียดนะก็คือไอตัวมานาตารู้สึกไหมมันน่าอายนะเวลาเห็นตัวเองมีมานาตาเนี่ยโอ้โหมันน่าอายเป็นกิเลสที่น่าอายที่สุดเลยดีที่รู้แล้วถ้ารู้กิเลสตัวนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นคนน่ารักนะ คนมาหน้าตาแดงเจ้าทิศถี่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นขัดแย้งกับเขาไปทั่วไม่มีใครรักหรอกแต่พอเรารู้ทันอุ้ยนิกิเล์ผลักดันนะให้ยึดในความคิดความเห็นตัวเองพอรู้อย่างนี้นะคลายออกต่อไปนิสัยเราก็ไม่ก้าวร้าวรุนแรงกับใครนะดีดีที่เห็นนะฝึกไปโดยขอบใจพระเจ้าน้อมนอมัสการพระอาจารย์ คือคำถามที่คิดไว้ลืมไปเลยแต่ว่าแต่ว่าบางครัง้งแต่คำถามตัวนี้นี่รู้สึกว่าเป็นมาตั้งแต่แรกตลอดตั้งแต่น้อยเลยคือมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดแต่ว่าคือว่าเห็นครูบาอาจารย์มาอย่างสิมันรู้สึกว่าอยากอยากเฮ็ดี่บดีใส่อย่างสินะ่ะหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ผู้ง่ายอย่างก็แล้วแต่คือมันคิดไปเองอยงนีนะเราห้ามไม่ได้จิตมันจะคิดนะ จิตคิดกับเราคิดไม่เหมือนกันจิตคิดนี่ยเราไม่ได้เจตนามันคิดเองเพราะฉะนั้นเป็นกรรมเล็กน้อยเท่านั้นมีกรรมที่ไม่สมบูรณ์แบบะเรียกกระตั้ตากรรมกรรมเล็กๆแต่ถ้าเราจงใจคิดเองเจตนาคิดอันนี้กรรมมันแรงนะงั้นไม่ต้องตกใจเวลาจิตมันคิดไม่ดีเราดูเข้าไปเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันคิดของมันได้เองะถ้าเห็นอย่างนี้นะต่อไปมันไม่กล้าเลย ไม่กล้าคิดลายละเพราะว่ามันกลัวเราเห็นใจรักจิเลศไม่กลัวตัวอื่นเลยนะจิเลศน่ะกลัวใจรักโดยแล้วคือที่ผ่านมากะปฏิบัติมาบางช่วงเนาะแต่ช่วงหลังๆนี่คืออเฮดเวียรมีอย่างซี้ก็เลยว่าห่างๆเนาะแต่ลึกๆในใจก็อยากอยากปฏิบัติจากพอได้ฟังพระได้ฟั ง, ฟงคลิปของหลวงปู่มั่นที่เพื่นเอามาเว่าวในยูทูบหลือของพระอาจารย์ การไลายๆ่องค์สินะกกรอยากที่อยากจะเฮ็ดอยากจะปฏิบัติสินะแต่บุหัวคือการกระทําของปัจจุบันนี้ก็พอถูกต้องแล้วบ่หรือว่าจังไดปฏิบัติไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะปฏิบัติเนี่ยเรามีสติรู้กายรู้ใจไปมันทานํางานยังไงก็รู้มันดีมันช่วมสุขมันทุกข์รู้มันไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งจิตหมดกําลังมันจะฟุ้งซ่าน ถ้ามันจะฟุ้งซ่านเนี่ยเราแบ่งเวลาไว้เลยไม่ต้องรอให้มันฟุ้งซ่านก่อนนะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจให้จิตมันมีกำลังนะพอจิตมีกำลังแล้วก็ไม่ขี้เกียจขี้คลานออกมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อถ้าเดินก็เดินกันอย่างนี้แหละนักปฏิบัติโดยหมดแล้วมั้งนี่หลวงพ่ออุตสาเตรียมทีมงานเอาไ้ช่วยหลวงพ่อแปล เผื่อหลวงพ่อฟังคำถามแล้วก็ไม่เข้าใจหนะลวงพ่อเข้าใจภาษาลาวได้ไม่หมดหรอกเข้าใจได้สัก 70-80% แนตะแต่ว่าในเรื่องปฏิบัตินเราพูดกันเอาใจมาแลกกันนะพวกเราจิตใจเราเป็นยังไงเราก็พูดออกมาตรงไปตรงมาอันนี้มันดูง่ายนะถ้าคนทั่วไปเขาไม่ปฏิบัตินะเขาพูดบางทีเราฟังไม่ออกเลยแต่พวกนักปฏิบัตินี่ ยสิคนที่หลวงพ่อฟังออกแฮกแปลกนะวันนี้พวกเราอยู่กันมาตั้งแต่เช้านะอยู่กันมาจนถึงตอนเย็นนี้บางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมคนอื่นเข้ามารายงานการปฏิบัติให้หลวงพ่อแนะนำเรามาฟังมันจะได้ประโยชน์ไหมที่จริงได้ประโยชน์มากเลย เพราะกิเลสของคนเรามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเราฟังสิ่งที่คนอื่นเขาทำผิดเราก็รู้ว่าที่ผิดเป็นยังไงเราจะได้ไม่ผิดเราฟังที่คนอื่นเขาทำถูกเรารู้ว่าที่ถูกเป็นไงเราก็จะได้ถูกยิ่งขึ้นนะเรียกว่าได้เปรียบนะเราเป็นคนมองนอกฟังเราจะพูดเองบางทีอายนะไม่กล้าพูดใส่ไมโครโฟน<ม>อายนะเราฟังเขาถามเนี่ยเราได้คาตอบนะงั้นเรามานั่งฟังจนเย็นได้นะย ก็น่านับถือนะเจ็ดใจเข้มแข็งอยู่พรุ่งนี้ใครว่างก็มานะเด้วอีกวันหนึ่งโอกาสที่หลวงพ่อจะมาแต่ละครั้งนี่ยากมากงานหลวงพ่อเนี่ยกำหนดล่วงหน้าเป็นปีๆเลยนะบางทีกำหนดไว้แล้วก็ไม่ได้มาไปเข้าโรงพยาบาลซสก่อนเนะมื่อปีหนะ้าเก้าัห้าห้าเก้าไปเทศเทสเทสจนแทบขาดใจเลยนะมันไม่สบาย หายใจไม่ออกไปตรวจดูเป็นมะเร็งไปแล้วเป็นมะเร็งตับน้ําเหลืองนะมีก้อนที่ควปอดเนี่ยแล้รีบไปรักษาตอนนี้หายแล้วก็มีแรงออกมาเทนได้แต่ว่าไม่ได้ออกตะเวนไปเรื่อยๆอย่างแต่ก่อนแล้วล่ะปกติเดือนหนึ่งหลวงพ่อออกมาเทนนอกวัดครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ากที่ไกลๆนี ท่านรัฐรมนตรีท่านอุตสาไปนนิมนต์นะเราเห็นท่านเป็นคนตั้งใจจริงแล้วท่านรักประชาชนนะท่านรักอยากให้พี่น้องประชาชนฝั่งเราทางนี้ได้รู้จักวิธีปฏิบัติแบบดูจิต ด, ดูใจบ้างใันเป็นนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นใจท่านนะเลยรับนิมนต์มาให้ก็ดีใจที่ได้เจอพวกเรา พวกเรเนี่ยน่ารักมากนะคนลาวเนี่ยมีข้อดีมากๆเลยคือมีจิตใจที่อ่อนโยนต่อธรรมะไม่ได้มีจิตกระด้างกับธรรมะตัวนี้เป็นข้อดีข้อเด่นช่วยกันรักษาไว้นะรักษาไว้ต่อไปเมืองลาวก็จะต้องเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทั่วโลกนั่นแหละคือวัตถุมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนส่วนหนึ่งจะหลงกับวัตถุจนลืมคุณค่าของจิตใจ พวกเรายัางมีโอกาสที่จะเรียนรู้จิตใจยกระดับใจของเราให้สูงให้มีความสุขมีความสงบไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรามีโอกาสสี่เหล่านี้อยู่เราลงมือปฏิบัติให้เยอะๆรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยอาจจะเหมือนเมืองไทยคนไทยตอนนี้หลงวัตถุนะมีของกินมีของใช้มีของเล่นอะไรเนี่ยเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยแต่ความสนใจที่จะเรียนรู้จิตใจเนี่ยมีไม่มาก เป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่เป็นชาวพุทธที่แท้ จ, จริงนอกนั้นเป็นชาวพุทธแต่ชื่อจริงๆแล้วมุ่งวัตถุเป็นตัวสำคัญเห็นวัตถุมันเหนือกว่าจิตใจซสแล้วส่วนใหญ่งั้นบ้านเมืองเราอย่างร่มเย็นอยู่นะบ้านเมืองเราอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่เป็นบ้านเมืองที่เหมาะกับการภาวนามากเลยเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ ของหลวงพ่อเนี่ยแต่ละวงค์แต่และวงค์หลว ง, งพ่อมีครูบาอาจารย์หลายสิบองคนะ์จะเกือบทั้งหมดนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อเรียนจากรุ่นถ้าเทียบรุ่นนะเป็นหลานศิษย์หลวงปู่มั่นไม่ใช่รุ่นลูกศิษย์แล้วไม่ทันท่านครูบาอาจารย์ส่วนมากนะท่านเข้ามาภาวนาอยู่เมืองลาวนี่แหละนะขึ้นภูเขาควายขึ้นโน้นขึ้นนี้นะเที่ยวเขาเที่ยวถ้ำภาวนา แลท่านก็ไปบอกกันนะว่าเมืองลาวเนี่ยสัปปายะมากแผ่นดินลาวร่มเย็นสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมะแล้วท่านไปบอกกันแล้วท่านก็ขยันพากันมานะมาภาวนาเมืองไทยหันไปทางไหนมีแต่พับแต่บาหนะมีแต่เรื่องวุ่นวายลําบากหน่อยแต่ว่าตัวตัดสินชี้ขาดมันอยู่ที่ตัวเราเองในถ้ำกลางความวุ่นวายหลวงพาอคนกรุงเทพนะ เกือที่กรุงเทพกรุงเทพยุ่งกว่าเบียงจันท์เยอะเลยวุ่นวายยิ่งกว่าเบียงจันหลวพ่อยังภาวนาอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันอยู่ที่ตัวเราเองนะเรามีความเด็ดเดี่ยวที่จะปฏิบัติอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยังไงเราก็ภาวนาของเราจนได้แหละลำบากแค่ไหนก็ภาวนาจนได้นี่พวกเราได้เปรียบอยู่ในที่แวดล้อมที่ดีที่ร่มเย็นเป็นสุขอย่าลืมภาวนานะขยันเข้าการภาวนามีสองส่วนส่วนหนึ่งฝึกให้จิตใจสงบ ส่วนหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือถ้าหมดความยึดถือกายยึดถือใจก็เป็นพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดนะคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองแต่เดิมก็มีกิเลสเหมือนพวกเรานี่เองอย่าว่าแต่พระอรหันต์ทั่วไปนะพระพุทธเจ้าแต่เดิมท่านก็มีกิเลสตอนยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านก็มีเหมือนกันแต่ท่านพัฒนาตัวของท่านจนบริสุทธหมดจดขึ้นมาพวกเรา เป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเดินตามท่านไปนะอย่าหลงกับโลกมากเกินไปนะวันนี้สมควรก่เวลานะขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่